เมื่อทำความเข้าใจเกี่ยวกับศัพที่ควรทราบแล้วก็พอจะกล่าวถึงความหมายของนิพพานธาตุสองอย่างนี้ได้ดังนี้ 1. สอุปาทิเศสนิพพานธาตุแปลว่าภาวะของนิพพานที่เป็นไปกับด้วยอุปาทิเหลืออยู่หรือนิพพานที่ยังเกี่ยวข้องกับขันห้าได้แก่นิพพานของพระอระหันต์ในเวลาที่สวยอารมณ์ต่าง รับรู้สุขทุกขทางอินทรีย์ทั้งห้าหรือนิพพานของพระอรหันต์ผู้อย่างเกี่ยวข้องกับขันห้าในกระบวนการรับรู้สวยอารมณ์พูดอีกอย่างหนึ่งว่านิพพานท่ามกลางกระบวนการรับรู้ทางประสาททั้งห้าซึ่งเกี่ยวข้องกับขันห้าโดยฐานเป็นอารมณ์หรือสิ่งที่ถูกรับรู้ขันห้าโดยฐานเป็นอารมณ์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 ซึ่งทำให้การรับรู้หรือสวยอารมณ์ต่างๆเป็นไปด้วยจิตใจที่เป็นอิสระความสิ้นราคะความสิ้นโทสะความสิ้นโมหะนี้เรียกว่านิพพานความบาราดราคะความบาราดโทสะความบาราดโมหะนี้เป็นชื่อของนิพพานธาตุขยายความออกไปว่า สอุปภทธิเศ ส, สนิพานธาตุได้แก่ภาวะจิตของพระอรหันต์ซึ่งปลอดโปร่งเป็นอิสระไม่ถูกปรุงแต่งบังคับด้วยราคะโทสะและโมหะทำให้พระอรหันต์นั้นผู้ยังมีอินทร์สำห ร, รับรับรู้อารมณ์ต่างๆบริบูรณ์ดีอยู่ตามปกติสวยอารมณ์ทั้งหลายด้วยจิตใจที่เป็นอิสระด้วยปัญญาที่รู้เท่าทันธรรมชาติของมันการสวยอารมณ์หรือเวทนานั้น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 ภาวะของนิพพานที่ไม่มีอุปาธิเหลืออยู่หรือนิพพานที่ไม่เกี่ยวข้องกับขันห้าได้แก่นิพพานของพระอรหันต์ผลจากเวลาที่สวยอารมณ์ด้วยอินทรีย์ทั้งห้าหรือนิพพานของพระอรหันต์ที่นอกเหนือจากความเกี่ยวข้องกับขันห้าในกระบวนการรับรู้สวยอารมณ์พูดอีกอย่างหนึ่งว่า ภาวะของนิพพานเองล้วนแท้ซึ่งประจักษ์แก่พระอรหันต์ในเมื่อประสบการณ์ในกระบวนการรับรู้ทางประสาททั้งห้าสิ้นสุดลงหรือในเมื่อไม่มีการรับรู้หรือในเมื่อไม่เกี่ยวข้องกับการรับรู้อารมณ์ทางประสาททั้งห้าเหล่านั้นรวมทั้งอารมณ์ผ่านทางประสาททั้งห้านั้นที่ยังค้างอยู่ในใจขยายความออกไปว่า อนุปาทศษเสสนิพานธาตุได้แก่ภาวะนิพานที่พระอรหันต์ประสบอันเป็นส่วนที่ลึกซึ้งลงไปหรือล้ำเลยออกไปกว่าที่มองเห็นกันได้ผลจากเวลาที่สวยอารมณ์หรือรับรู้ประสบการณ์ทางอินทรีย์ทั้งห้าแล้วกล่าวคือหลังจากรับรู้ประสบการณ์หรือสวยอารมณ์โดยไม่อาจพิจด้วยตันหาไม่เสริมแต่งคลอเคลีย หรือกริมครุนด้วยกิเลสคือราคาโทสะและโมหะคืออภินันทิตาแล้วอารมณ์หรือประสบการณ์เหล่านั้นก็ไม่ค้างคาที่จะมีอำนาจครอบงมชักจูงหรือรบกวนต่อไปอีกจึงกลายเป็นของเย็นในวงเล็บสีติพวิสันติคือสงบราบคาบหมดพิสงไปไม่อาจก่อชาติก่อภพขึ้นได้อีก พูดเป็นจำนวนว่าพระอระหันต์มีความสามารถพิเศษที่จะทําให้อารมณ์หรือประสบการณ์ต่างๆที่ผ่านเข้ามามีสภาพเป็นกลางปราศจากอํานาจครอบงําหนวงเหนียวกลายเป็นของสงบเย็ยนอยู่ใต้อํานาจของท่านพระอระหันต์จึงได้ชื่อที่เป็นคุณลักษณะอย่างหนึ่งว่าสีติภูตะหรือสีตะแปลว่าเป็นผู้เย็ยนแล้ว เช่นในข้อความว่าตถาคตเป็นผู้ดับร้อนหมดแล้วเย็นซึ้งเหมือนห้วงน้ำลึกหรืออีกแห่งว่าเป็นผู้หาหิวดับร้อนเย็นซึ้งเสวยแต่ความสุขมีตนเป็นพรหมอยู่แล้วตั้งแต่ในปัจจุบันทีเดียวภาวะที่ประจักษ์โดยปราศจากประสบการณ์เสริมแต่งค้างคาอยู่ หรือภาวะที่ประสบในเมื่อไม่มีอารมณ์ภายนอกข้างค้างกรองใจหรือคอยรบกวนอยู่เช่นนี้นับว่าเป็นภาวะชั้นในซึ่งอยู่นอกเหนือจากการติดต่อเกี่ยวข้องกับโลกภายนอกล้าเลยไปกว่าระดับการรับรู้ทางอินทรีย์ห้าผลจากกระบวนการรับรู้สวยอารมณ์ที่ผัวพันอยู่กับขันห้าเรียกได้ว่าเป็นการเข้าถึงภาวะที่ปราศจากภพ หรือไม่มีพบใหม่ในภาวะเช่นนี้คือเมื่อไม่มีขันห้าเป็นอารมณ์ท่านผู้บรรลุนิพพานแล้วก็จึงมีนิพพานเป็นอารมณ์คือประจักษ์หรือประสบนิพพานในฐานะที่เป็นธรรมายตนะธรมมายตนะอายตนะภายนอกอย่างที่หกได้แก่ธรรมารม ซึ่งแยกได้เป็นขันธ์สี่กับนิพพานนิพพานเป็นธรรมะนอกเหนือจากขันธ์ห้าดังในคำพีชั้นหลังมีคำแสดงลักษณะ น, นิพพานอีกคำหนึ่งว่าขันธาวิมุตติแปลว่าพ้นจากขันธ์คือจัดเข้าในขันธ์ห้าไม่ได้แต่กระนั้นก็จัดเข้าในธรรมายตนะด้วยดูได้จากบทที่สอง ว่าด้วยอายตนะนิพพานในข้อที่สองนี้เป็นด้านที่เพ่งถึงภาวะของนิพพานเองแท้ๆที่ประจักษ์แก่พระอระหันต์พ้นจากกระบวนการรับรู้สวยอารมณ์ภายนอกนอกเหนือจากการดาเนินชีวิตตามปกติเป็นภาวะที่พูดถึงหรือบรรยายได้ เพียงแค่ลักษณะของการเกี่ยวข้องกับนิพานนั้นถึงจุดที่ประสบการณ์อย่างที่รู้ที่เข้าใจกันซึ่งไม่ใช่นิพานได้สิ้นสุดลงส่วนภาวะของนิพานเองแท้ๆซึ่งลึกเลยไปกว่านั้นเป็นเรื่องของผู้ประสบและประจักษ์เองจะรู้และเข้าใจคือเป็นสันติทิกะดังที่ได้กล่าวมาแล้ว ถ้าจะอุปมาเปรยียบมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายเหมือนคนที่ว่ายน้ำฝ่ากระแสะคลื่นลมอยู่ในทะเลใหญ่ผู้บรรลุนิพพานก็เหมือนคนที่ขึ้นฝั่งได้แล้วภาวะที่ขึ้นอยู่บนฝั่งแล้วซึ่งเป็นภาวะเต็มอิ่มสมบูรณ์ในตัวของมันเองมีความปลอดโปร่งโล่งสบายซึ่งบุคคลผู้นั้นประสบอยู่ภายในประจักแก่ตนเองโดยเฉพาะ เปรียบได้กับอนุปาที่เสสนิพานส่วนภาวะที่ไม่ถูกบีบคั้นคุกคามไม่ติดขัดจํากัดตัวอยู่ในเกลียวคลื่นไม่ถูกซัดไปซัดมาไม่เป็นผู้ตกอยู่ใต้อำนาจของคลื่นลมสามารถเกี่ยวข้องกับสิ่งที่อยู่รอบตัวอย่างเป็นอิสระและได้ผลดีขยับขยื้นเคลื่อนไหวได้ตามปรารถนา เปรียบได้กับสอุปาทิเเสสนิพานถ้าจะอุปมาให้ใกล้ตัวกว่านั้นเปรียบมนุษย์ปุถุชนทั้งหลายเหมือนคนเจ็บไข้ผู้บรรลุนิพพานก็เหมือนคนที่หายป่วยแล้วหรือคนที่สุขภาพดีไม่มีโรคความไม่มีโรคหรือความแข็งแรงมีสุขภาพดีนั้นเป็นภาวะที่สมบูรณ์ในตัวของมันเอง ซึ่งบุคคลผู้นั้นจะประสบประจักษ์อยู่ภายในตนเองโดยเฉพาะภาวะนี้จะอิ่มเอิบชื่นบานหลอดโปร่งโล่งสบายคล่องเบาอย่างไรเป็นประสบการณ์เฉพาะตัวของผู้นั้นคนอื่นอาจคาดหมายตามอาการและเหตุผลแต่ก็ไม่สามารถประสบสวยได้ภาวะนี้เปรียบได้กับอนุปาที่เสสนิ พ, พานส่วนภาวะอีกด้านหนึ่ง ซึ่งเนื่องอยู่ด้วยกันนั่นเองและอาจแสดงออกได้หรือมีผลต่อการแสดงออกในการดำเนินชีวิตหรือติดต่อเกี่ยวข้องกับสภาพแวดล้อมต่างๆคือความไม่ถูกโรคบีบคั้นไม่อึดอัดไม่อ่อนแอไม่ถูกขัดขวางทวงหรือจะงักงานด้วยความเจ็บปวดและอ่อนเปลี้ยเป็นต้นสามารถขยับเขยือนเคลื่อนไหวทาอะไรต่างๆได้ตามต้องการ ภาวะนี้เทียบได้กับสอุปาทิเศ ส, สนิพาน